วิถีทางแห่งโพธิญาณวิถีทางแห่งโพธิญาณเรียบเรียงจากโพธิขยาวัฒราบายสันติเทวาพุทธพจน์ และความชั่วและสิ่งที่ทำให้เสื่อมทั้งปวงมันเจริญสิ่งดีงามและสิ่งที่เป็นประโยชน์ฝึกฝนจิตของตนให้อิสระจากสิ่งมัวหมองทั้งหลายจิตที่ขาดระเบียบวินยัยขาดการฝึกฝนย่อมนําไปสู่ความทุกข์แต่จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมเป็นสุข และสงบเย็นจงอย่าได้ใส่ใจในตัวบุคคลแต่ให้สนใจในคำสอนจงอย่าได้ใส่ใจในคำศัพท์ภาษาแต่ให้สนใจในความหมายจงอย่าได้ใส่ใจในความหมายที่เติมแต่งดัดแปลงแต่ให้สนใจในความหมายที่แท้จริง จงอย่าได้ใส่ใจในความรู้จากสัญญาแต่ให้สนใจในปัญญายานจากประสบการณ์จริง